ที่นี่ก็ตอนเช้าก็ชอบปิดไฟถนอมสายตาด้วยเนาะแล้วก็มันเราก็จะอยู่กับความมืดมืดบ้างนะพักสายตาบ้างแต่เราก็ใช้ใช้หูแล้วก็ใช้ใจในการฟังนะ การฟังทำเนี่ยใช้แต่หูฟังอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ได้นะนะพเพราะส่วนใหญ่คนเราจะเคยคิดในการใช้หูคู่กับหัว <c ười> คือฟังไปคิดไปนะนะฟังแล้วก็ใช้ความคิดวินิจวิเคราะห์นะเอาเหตุเอาผลอะไรนะคือ การฟังแนันมันอาจจะเหมาะกับการเรียนหนังสือนะหรือเหมาะกับการหาข้อมูลน ะ, นะหาความรู้นะแต่การฟังทำนะเราเน้นใช้หูแล้วก็ใช้ใจใช้ใจในการฟังคือเปิดใจให้โล่งๆสบายๆนะผ่อนคลายเนาะ ไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้อะไรนะปล่อยให้มันว่างๆนะเหมือนกับแก้วน้ําที่มันว่างๆนะปล่อยวางทฤษฎีอนะ่ที่เราเคยอ่านทฤษฎีคือมันถึงความรู้ต่างๆนะที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาได้อ่านมานะธรรมะต่างๆที่เราเคยศึกษานะจากที่นั่นที่นี่นะปล่อยให้มันว่างๆไว้นะ พอม่งั้นมันมันจะตีกันมันจะสับสนมันจะจับอ่าอย่างงั้นอย่างงี้เนาะมันก็จะมันก็จะฟังไปคิดไปนะฟังไปเถียงไปฟังไปนั่นนี่ไปคือเราพยายามบ้างที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วกอ็อยู่กับปัจจุบันเนาะอาศัยการฟังในปัจจุบันเป็นเป็นเครื่องอยู่นะ ล้วก็ใช้ใจของเราในการรู้นะรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะนะรู้สึกตัวจริงๆเนะี่ยคือคือการรู้ด้วยใจนะใจเป็นผู้รูนะ้นั้นการฟังเองก็เป็นการนะรู้สึกตัวได้ถ้าเราใช้ใจในการฟังนะคบคู่กับการที่เรารับรู้เสียงที่มันกระทบหู มันกระทบเกิดขึ้นมาเกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นในใจเนี่ยให้เราได้รู้ตรงนี้แหละคือการฟังที่ดีมากบางทีฟังไปมีความสงสัยนะความสงสัยจะเป็นเรื่องอะไรนะไม่สำคัญแต่ถ้าเรารู้ทันว่าใจมันสงสัยนั่นแหละเรานะเรียกว่าเราเห็นธรรมะแล้วนะ เราฟังไปนะเกิดความพอใจชอบใจขึ้นมานะเราก็มีสติรู้ว่าเออใจเขาเกิดความชอบใจเกิดความพอใจนะเราฟังไปแล้วก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญนะขึ้นในใจเราก็รู้ทันความหงุดหงิดความรำคาญที่มันเกิดขึ้นในใจหรือฟังไปแล้วใจมันแว บ, บออกไปนะคิดเรื่องอื่นนะ ก็รูทันนะใจที่มันแอบบใจที่มันหนีนะใจที่มันเคลื่อนนะเนี้หลักคือฟังด้วยใจคือเราเอาอาศัยนะเสียงที่กระทบเนะี่ยเป็นเครื่องรู้ในการสัมผัสนะผัสสะคือการกระทบนะเสียงกระทบหูนะรับรู้แล้วอารมณ์กระทบใจนะรู้แล้วเนี่ยมันคือมันกระทบเกิดขึ้นมาเรารู้ทันมัน นี่คือเราฟังได้ได้ท่าทีแบบนี้นะเราจะเห็นกายเห็นใจตัวเองด้วยนะมันไม่ใช่เห็นแต่ใจหรอกนะแล้วก็การดูใจเนี่ยไม่ใช่การไปเฝ้าดูนะไม่ใช่ไปค อ, อยจ้องดูรอดูดักดูนะแต่เพียงเหมือนแค่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็แค่รู้มันนะามาชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนเราดูทีวีนะ คือเราก็นั่งดูธรรมดาเนี่ยแหละนะเดี๋ยวเขาก็แสดงเองนะอหรือบางครั้งเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงเขาอาจจะหยุดบ้างก็เรื่องของเขานะแล้วก็แค่รู้ว่าเออเขาไม่ได้แสดงอะไรขึ้นมานะช่วงเวลานั้นเราอาจจะได้พักอยู่กับร่างกายนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแต่พอจิตใจเขาแสดงขึ้นมาเออเราก็เห็นนะเออเขาแสดงละครอะไรเนาะอืม ละครในใจเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าเรื่องของความโรคความโกรธความหลงนะเหมือนละครไทยละครฝรั่งเองก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้นะรักโรคโกรธหลงนะไม่มีอะไรมากกว่านี้นะแต่พอมันมาปรุงแต่งนะมันก็ปรุงแต่งได้เยอะมากนะหลายของเราก็ตั้งแต่เราได้เห็นมาก็หลายสิบปีเลยเนาะ โรคใบนี้ก็ปรุงแต่งด้วยโรคโกดลงนะมาไม่รู้กี่ร้านกี่ร้านปีแล้วเนาะที่มีโรคใบนี้ขึ้นมาถ้าจะเปรียบเทียบนะอ่าเปรียบเทียบกิเลสนะโรคโกดลงนะเหมือนกับแม่สีเลยนะแม่สีหลักๆเนาะก็มีสามสีใช่ปะ่ะสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงใช่ปะ่ะ มาก็ไม่ค่อยแม่นนะแต่จําน่าจะมีแม่สีมีสามแม่นะอืผสมสีต่างๆนะเป็นสีนั่นสีนี่นะใช่ไหมมันออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะเอแล้วแต่ว่ายิ่งยิ่งเก่งมากเท่าไหร่นะศิลปินเก่งมากายิ่งผสมสีได้ได้หลากหลายนะในนุ่มนวล น, นะคนเอาเองก็เหมือนกันนะ ยิ่งเรียนมากนะยิ่งทํางานเก่งนะบางทียิ่งคิดเก่งนะผสมนะสิ่งต่างๆนะเข้ามาปรุงในจิตเนะเยอะแยะมากมายเลยนะอืมเนี่ยคือบางทียิ่งเราดูมากนะยิ่งต้องระวังเพราะว่าความคิดปรุงแต่งนะมันจะมาปรุงจิตปรุงใจให้มันไม่สงบสักทีนะนะ เอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดเอาดีเอาไม่ดีเอาชอบเอาไม่ชอบนะอ่ามันจะมาเอานะแบบไม่ใช่แปลว่ามันมีไม่ได้นะมีได้แต่ให้รู้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปเอาทันทีส่วนใหญ่คนที่ไปยึดเนี่ยคือไม่รู้ตัวนะแล้วก็ไปยึดทันทีเลยนะยึดเหตุยึดผลยึดถูกยึดผิดยึดดียึดไม่ดียึดชอบยึดไม่ชอบนะ เกิดขึ้นมาเนะี่ยยึดปั๊บเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราคิดที่เรารู้สึกเนี่ยมันใช่มันถูกมันดีแล้วนะมันก็เลยยึดทันทีนะเมื่อยึดแล้วอะไรที่มันไม่ตรงจากที่เชื่อจากที่คิดนะมันก็มันก็จะถกเถียงหักล้างนะเอาแพ้เอาชนะกัน แต่ถ้าเรากลับมาเห็นว่าจิตมันยึดอะไรนะจิตมันจะคลายนะมันเหมือนคลา ย, ลายพอจิตมันกลับมาเห็นตัวที่มันไปยึดเนาะอ๋อไอความคิดนะจิตมันคิดแบบนี้นะแล้วมันก็มีความไปยึดความคิดแบบนี้นะมาเป็นตัวตนนะของเรานะจิตมันมีความรู้สึกอย่างนี้นะ แล้วก็มันไปยึดว่าความรู้สึกนี้มันเป็นเรานะเช่นจิตมันรู้สึกชอบใจนะก็ไปยึดว่าเราอเป็นผู้ที่ชอบใจอยู่จิตมันมีความรู้สึกเบื่อก็ไปยึดว่าเราเป็นผู้ที่เบื่ออยู่เนี่ยพอมันเห็นยนะอย่างนี้นะอ๋อมันก็จะถอนการยึดมั่นนะมันก็จะบางครั้งอาจอารมณ์อาจจะยังพอมีอยู่ ที่จริงมันสลับไปแล้วนะระหว่างอารมณ์กับตัวรู้นะมันไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วตัวสติที่เข้าไปรู้ก็รู้ไปตามรู้ที่หลังนะแต่บางทีมันก็สลับกันเร็วมากจนรู้สึกว่าเหมือนอยู่คู่กันเลยนะโกรธก็ยังมีอยู่นะแต่รู้ก็ยังก็ยังพอรู้อยู่บ้างนะนะ มันเหมือนอยู่ด้วยกันนะแต่จริงถ้าเดถ้าตามหลักจริงๆแล้วมันถดกันแต่มันเร็วมากนะแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะเห็นแล้วมันจะดับหรือเปล่านะขาดไปหรือเปล่านะอย่าไปเพ่งการที่ว่าเราไปเห็นอารมณ์แล้วอารมณ์ต้องดับอารมณ์ต้องหายอารมณ์ต้องไม่อยู่แล้วนะต้องเห็นการเกิดดับอย่างชัดเจนเลนะเราอย่าเพิ่งไปใจร้อน ไปเร่งรัดไปเพ่งอยากได้อยากรู้แบบนั้นนาะหนะ้าที่เราเพียงแค่รู้ไปเรื่อยๆนะส่วนอารมณ์มันจะดับหรือไม่ดับเป็นเรื่องของเขานะมันจะหายหรือไม่หายนะเป็นเรื่องของเขาแต่เราสร้างความรู้สึกตัวไว้คือรู้เท่าทันเขาไปเรื่อยๆนะนะไม่ใช่รู้เพื่ออยากให้มันหายนะไม่ใช่รู้เพื่ออยากจะเอาแต่สิ่งที่ดีนะ สิ่งที่มันไม่ดีไม่เอานะอยากตัดนะอยากละอยากเลิกสิ่งที่ดีอยากจะเอาไว้อยากจะพ่อพูนอยากจะรักษาไว้นะแต่จริงความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าจะว่าเป็นจริงนะไม่ใช่รู้เพื่อะละไม่ใช่รู้เพื่อเอานะแต่ก็เป็นการรู้ซื่อเฉยเฉยนะแต่มันก็ละกิเลสของมันเองนะคือไม่ใช่รู้เพื่ออยากจะละแต่พอมันเห็น เห็นกิเลสนะล้วมันละกิเลสของมันเองนะมันคล้ายๆเราเห็นสิ่งสกปรกนะถ้าเราเห็นจริงๆนะเราก็จะไม่ไปเหยียบไม่ไปจับมันหรอกนะแต่เพราะบางทีมันไม่เห็นเราไม่เห็นขี้หมานะเราก็เลยไปไปเหยียบขี้หมานะอืมแต่ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปเหยียบแต่ถ้าเพราะไม่เห็นนะละมันเลยไปเหยียบ บางทีสมข้อเทียนนะั้นท่านใช้คำว่านะแบบเราเคารพกิเลสนะนะเหมือนกับเราเคารพขี้หมานะคือการเคารพเนี่ยคือการไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปเหยียบนะนะี่คือเคารพกิเลสก็คือว่านั่นแหละก็ดีมันออกไปนะห่างมันออกไปนะสติมันจะทําหน้าที่ในการดีในการห่างนะในการละนะในการเนิกของมันเองนะ หน้าที่ของเราคือกลับมาเห็นตรงนี้แหละสิ่งใดเกิดขึ้นนะก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการเพื่อให้สติเขารู้แค่นั้นเองนะแต่ถ้าจิตมันไปไปตีความไปให้ค่าให้ราคานะมันก็จะยุ่งนะนะอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะอันนี้กิเลสอันนี้กุศลอะไรนะ อันนี้อดีชอบอันนี้ไม่ชอบนะนี่คือการไปให้ค่าให้ราคาถ้าจะดีนะถ้าจะปฏิบัติให้มันซื่อตรงๆกลางจริงเนะี่ยคือเมาะเหมารวมไปเลยนะเป็นอาการเฉยๆนะไม่ต้องไปแยกว่าดีหรือไม่ดีนะนะก็ถ้าเหมารวมก็เป็นเพียงแค่อาการนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะมีค่าเท่ากัน ไม่ว่าสงบหรือไม่สงบนะมีค่าเท่ากันไม่ว่าโกรธหรือไม่โกรธโรคหรือไม่โรภนะหลงหรือไม่หลงนะมีค่าเพียงแค่เป็นอาการให้สติเขารู้นะนะถ้าเราดูได้แบบนี้นะมันก็จะง่ายมากในการที่จะนะดูเฉยเฉยนะโดยไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปทำอะไรนะ นะสติมันจะเป็นกลางนะสติจะเป็นกลางนะมันจะเห็นนะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรสิ่งนั้นมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขานะเราก็ดูมไปเรื่อยๆนะรู้ทันเวลาใจที่มันไม่เป็นกลางนะเผลอไปชอบเผลอไปไม่ชอบเผลอไปจัดการนะหรือเผลออยากที่จะหนีเบือ่อไม่ชอบนะอันนี้ก็ คือความหลงความเผลอที่มันอาจจะเกิดขึ้นแทรกได้ในขณะที่ที่ปฏิบัตินะที่เห็นนะแต่บางทีมันก็เห็นไม่จริงนั่นแหละด้วยกำลังของสติที่มันไม่พอกำลังสมาธิที่มันตั้งมั่นไม่พอนะมันก็อาจจะทำให้นะมันบวมไหวเนาะแต่บวนไหวไปก็ให้รู้ทันเนาะรู้ทันใจที่มันบวนไหวนะเหมือนกับต้นไม้นะต้นไม้ มีลมพัดมาบางทีก็ไหวไปกับต้นไม้ไปกับสายลมบ้างนะแต่ถ้าต้นไม้มีรากที่แข็งแรงนะมันก็แค่ไหวไปช่วงขณะหนึ่งนะแล้วเขาก็คืนกลับมาอยู่ดํารงอยู่กับที่นะอันนี้อารมณ์ก็เหมือนกันนะที่มันอาจจะพัดนะพัดให้ไหวไปบ้างนะเขาให้รู้ทันแล้วก็อืมพอรู้ทันนะมันก็จะกลับมานะอยู่กับที่ได้ อาจจะมีอารมณ์มากระทบใหม่อีกนะเราก็อาจจะไหวไปบ้างนิดหน่อยนะรู้ว่ามันไหวไปเนี่ยนะนะมันที่จริงมันคือเราไม่ใช่ห้ามให้มันไม่ไหวนะนะรู้ว่าไหวเนะี่ยมันเหมือนคล้ายๆต้นไม้นะพัดไปตามลมชั่วขณะหนึ่งนะแล้วมันก็กลับมานะแต่ถ้าต้นไม้ต้นหนพยายามฝืนดมตลอดเวลานะไม่ดู่ไปเลยบ้างเลยนะ มันจะเหนื่อยมากนะมันจะแข็งนะมันจะเรียกว่ามันจะต้องต้านตลอดเวลานะนะคล้ายๆเหมือนกับธงนะธงถ้าแบบธงถ้าเราพยายามจะคึงนะคึงอีกฝั่งหนึ่งไว้นะธงปกติมีแค่เสาเดียวเนาะแต่ถ้าเราคึงอีกฝั่งหนึ่งนะมันจะเป็นเหมือนนะสองฝั่งนะเมื่อลมมากระทบปนะุ๊บเนี่ยมันจะมันจะไม่ มันจะไม่ปิวไปตามลงแต่มันจะถูกมันจะปะทะลมเต็มเต็มนะพอปะทะเต็มเตมะโอกาสที่ที่ธงมันจะขาดมันจะมีได้ง่ายมากเลยเพราะว่าพอมันปะทะแล้วมันถ้ามันดับไม่ไหวนะธงมันก็ขาดไดนะ้เหมือนเราติดป้ายนะติดป้ายถ้ามันไม่เจาะรูนะป้ายใหญ่ๆนะถ้าไม่มีรูให้ลมมันผ่านบ้างเนี่ยป้ายนั้นก็จะขาดได้ง่ายๆเลย อันนี้ก็เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการที่การที่เราไปขึงป้ายขึงพงไว้นะถ้าเราไปขึงมันตึงเกินไปแน่นเกินไปเนะี่ยไม่ให้มันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันจะเครียดนมันจะเหนื่อยมันจะหนักมากเพราะว่ามันจะปะมันจะต้องฝืนต้องต้องเรียกว่า สู้กับอารมณ์ตลอดเวลาเลยนะซึ่งมันจะทำให้เหนื่อยหนักมากนะแต่จริงนะเราเองก็เพียงแค่มีหลักของเราไว้นะเหมือนกับธงนะมีหลักไว้หนึ่งเสาอ่าักของเราคือรู้อย่างเดียวนะรู้อย่างเดียวไม่ว่าอารมณ์มันกระทบแล้วจิตมันจะไหวไปก็รู้นะจิตจะไหวไปก็รู้นะเหมือนธงนะ มันมีเสาเนี่ยเสาคือตัวรู้นะตัวธงที่มันปลิวไปเนี่ยเหมือนกับอารมณ์นะที่มันกระทบแล้วมันเกิดจิตมันไหวไปนะอตัวรู้กับตัวไหวนะมันคนละอันกันเหมือนเสาธงกับอตัวธงนะมันคนละอันกันนะแต่มันอยู่ด้วยกันแบบนั้นแหละนะตัวรู้ให้มันให้มันดำรงอยู่แบบนั้นแหละนะ อารมณ์จะไหวไปชอบไม่ชอบนะสุขทุกข์นะปรุงแต่งอย่างไรอ่ะไม่เป็นไรแต่มีตัวรู้อยู่ตรงนั้นไว้นะมันจะไม่ปลิวไปหรอกนะแต่ถ้าธงมันหลุดจากเสาเนะี่ยมันจะปลิวไปตามลมเลยแต่ถ้าธงไหนยังมัดอยู่กับเสาอยู่นะนะมันจะไหวไปบ้างนะทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอะไรก็ มันก็ยังอยู่ตรงกับเสาตรงนั่นแหละนะ่ะไหวไปสักพักหนึ่งมันก็กลับมาได้นั่นแหละนะจิตใจของเรานะให้ดำรงอยู่ด้วยสติแบบนั่นแหละนะแม้จะมีสิ่งใดมากระทบแม้จะทำให้จิตใจมันวันไหวไปอย่างไรนะเราก็เพียงแค่ตามรู้มันไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะแยกได้เองอาการนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะ มันก็เป็นเพียงแค่อาการแต่มันไม่ใช่จิตจริงๆนะจิตจริงๆคือสภาวะที่มันปกติจิตจริงๆคือสภาวะที่มันยังไม่ปรุงแต่งอะไรนั่นแหละคือจิตปกติจริงๆจิตจริงๆคือตรงนั้นแต่อาการมามามาปรุงเฉยนะเหมือนกับเวลาเราเห็นนะเวลาศิลปินเขาก่อนวาดภาพเนะี่ย เฟรมนะเขาจะขาวนะลงสีพื้นส่วนใหญ่นะอาจจะมีสีอื่นว้างเดืยนนี้แต่ส่วนใหญ่เฟรมมันก็จะสะอาดนะเฟรมก็จะว่างๆนะนะก่อนที่จะลงสีนยะเป็นรูปเป็นอะไรต่างๆเนะีนะ่ยมันก็พรุงแต่งไปได้หรือว่าสร้างสรรได้นะนะตามจินตนาการตามความสามารถนะ จิตเองก็เหมือนกันนะเหมือนกับเฟรมที่มันว่างๆมันไม่เป็นอะไรนะมันไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาแต่ด้วยอาการต่างๆเนะี่ยมันสร้างให้เกิดเป็นความคิดเกิดเป็นความรู้สึกเกิดเป็นอารมณ์ต่างๆขึ้นมานะแล้วก็เห็นมันนะแต่จริงถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดขึ้นนะที่จริงมันเหมือนเหมือนเราไปอยู่ที่หาดนะชายหาดนะ ตอเด็กๆหรือบางคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปขีดไปเขียนนะรูปวาดก็อประสาทนะที่ริมชายหาดไปแน่นะมันก็อยากจะอยู่นะช่วงขนาดหนึ่งที่เราไปวาดที่เราไปเขียนนะแต่จริงหาดที่เราเกี่ยวข้องจริงคือมันใกล้กับตรงที่น้ําทะเลมากนะมันเป็นเป็นตําแหน่งที่น้ําทะเลมันพัดเข้ามาถึง หาตรงนั้นได้พอดีพอดีเลยนะีภาพวาดหรือก่อกประสาททรายของเรานะมันก็อยู่แค่ช่วขนาดหนึ่งแล้วก็ขึ้นก็มาพัดนะ่ะน้ำทะเลก็พัดให้ภาพนั้นหายไปนะ่ประสาทหรือรูปปั้นต่างๆมันก็จะดายไปอารมณ์แล้วก็ความคิดก็คล้ายๆกันนะมันปรากฏขึ้นช่วขนาดหนึ่งนะแล้วก็มันก็หายไปนะ่ะ บางทีก็หายไปเพราะสติรู้เท่าทันหรือบางทีมันก็หายไปตัวนี้นะก็เกิดการสร้างตัวใหม่ขึ้นมานะก็แล้วแต่มันนี่ที่จริงมันเป็นเพียงแค่อากาศเป็นปรากฏการณ์ชั่วขณะหนึ่งไม่ได้ถาวรไม่ได้ไม่ได้จริงจังไม่ได้อะไรหรอกนะเราก็ดูมันไปเล่นๆเฉยๆนั่ น, แ, นแหละนะนะแต่ถ้าเราขาดสตินะเราจะลงไปยึดว่า เออมันเป็นเราอ่ะเอมเราเรารู้สึกไม่ดีนะเรารู้สึกผิดเรากังวลเราเครียดเรากลัวเราคิดไม่ดีนะเรานั่นเรานี่นะพอมันมีเราเข้าไปยึดนะเนะี่ยเข้าไปแบกนะมีเราเข้าไปจัดการนะมันจะเหนื่อยมันจะหนักมากนะ แต่จริงสติเนี่ยมันจะถอนความเป็นเรานะให้ไดกรู้เป็นเพียงแค่อาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเฉยๆนะมันจะเบามันจะสบายมากนะนะพยายามสิ่งที่เราฝึกนะฝึกสติไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นคือคนที่ฝึกใหม่ก็ดีหรือท่ามกลางสาหรับคนที่ฝึกแล้วนะจับความรู้สึกตัวได้แล้วนะ นะเห็นรูปเห็นนามบ้างแล้วนะเห็นอาการของขันห้าบ้างแล้วเนี่ยคือท่ามกลางนะพอเห็นไตรักษได้บ้างแล้วนะที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเนะีะหรือภาวนาไปมากๆนะจนถึงนะเข้าถึงป ร, า ม, ารนะ ม, มัตารย์นะสมมตินะเข้าใจความจริงแท้เคื่ออะไรเนะนะเห็นทุกข์นะชัดขึ้นนะ เห็นนะเห็นกายเห็นใจมันเป็นทุกข์นะไม่ไปยึดตรงนั้นนะได้เยอะขึ้นเนี่ยนั่นะคือเราก็ภาวนาได้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นท่ามกลางเหมือที่สุดนะก็อาศัยสติเนี่ยแหละเป็นตัวรู้ไปเรื่อยๆนะนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะเราก็รู้เพียงแค่ทีละขณะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ฝึกใหม่ที่ เพิ่งมาเริ่มยกมือมาเริ่มเดินจงกรมนะอาจจะเคยฝึกมาหลายวิธีแล้วก็สับสนในวิธีการอยู่บ้างนะแต่อยากให้เราวางใจว่าให้ลองทำดูไปก่อนว่าเอาแค่รู้ซื่อรู้โดยไม่ต้องคิดรู้โดยไม่ต้องบรดิกรรมนะความรู้สึกตัวจริงมันรู้ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะ มันเป็นการรู้โดยที่ไม่ต้องคิดเหมืนมาจากแนะนำคือเรากํามือแบบนี้นมารู้ได้เลยนะไม่ต้องไปคิดว่ากํามือก็ได้นะหรือเวลาหายใจแบบนีน้มันก็รู้เลยนะไม่ต้องไปคิดนะว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกเหมือนฝนตกดินๆินแบบนี้นนะเนาะเราก็ได้ยินเสียงเนะี mm ่ยความรู้สึกตัวแบบเนี้แหละคือมันมันได้ยิน มันเห็นมันได้สัมผัสเหมือนลมมากระทบตัวเนี่ยมันก็รู้สึกได้เลยทันทีนะโดยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยนะดันั้นความรู้สึกตัวจ ร, จริงมันไม่ต้องใช้ความคิดถ้าต้องมาคิดด้วยนะ ม, มันคืออะไรเรียกว่าอะไรคุณคิดวิเคราะห์ต่างๆเหตุผล <het> <phone> ต่างๆนะทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัวละมันจะไปอยู่กับความคิดนะ มันจะไปอยู่กับความคิดแม้ความคิดนั้นไม่อาจจะช่วยให้มันไม่ฟุ้งร้างไปเรื่องอื่นอย่างเวลาไปบริกรรมนะนับ 1- นึถึงสินะหรืออะไรก็แล้วแต่จิตมันไปอยู่กับคําบริกรรมจิตมันไปอยู่กับค ว, ความคิดว่า1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะจิตมันไปอยู่ตรงนั้นจิตมันไม่อยู่กับความรู้สึกตัวซื่อเฉยๆนะสิ่งที่เราต้องการคือเนี่ย ให้เพียงแค่รู้สึกตัวเฉยๆนะแต่ถ้าเราไปบริกรรมมากไปนะมันจะเหมือนเหมือนเราเหมือนเราหยิบขนมขึ้นมาสักห่อหนึ่งนะเราหยิบถูกห่อขนมน ะ, นะถุงที่มันห่อขนมไว้เนะเราหยิบตรงนั้นนะเราหยิบที่ห่อมันแต่ความรู้สึกตัวซื่อๆสัมผัสเฉยๆเนี่ยมันเหมือนขนมนะที่มันกระทบกับปากเราเนี่ย เราหยิบขนมนั้นเข้ามานะเราฉีกห่อออกแล้วนะหยิบขนมนั้นเข้ามาปากแล้วเนะี่ยรสชาติมันเป็นอย่างใรนั่นแหละคือซื่อ อ, อสัมผัสแนั้ น, นแหละนะการที่ลิ้นกระทบกับขนมนั่นแหละคือรสชาติของจริงนะแต่การที่เราไปหยิบห่อขนมเนี่ยมันยังไม่รู้รสชาติไดหรอกนะมันก็เพียงแค่เออได้ได้เห็นมันแบบนั้นเฉย แต่รู้สึกตัวจริงคือการสัมผัสกับสภาวะนะี่ยพอมาสัมผัสกับสภาวะมานทีไม่ต้องอธิบายนะเหมือนกับรสชาติอาหารต่างๆเนี่ยเรามาอธิบายเสียเวลาเฉยๆหรอกนะแต่ก็อธิบายได้เล่นไปก็ได้นะมันหวานนะหวานก็มีหลายแบบหลายระดับมากหวานแบบของเราคือเรียกว่าหวานแบบนี้นะแต่บางคนเขากินหวานมากเขาเรียกว่าไม่หวานก็ได้นะ อเรารู้สึกว่ามันหวานเขารู้สึกไม่หวานก็ได้นะเรารู้สึกว่ามันอร่อยนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่อร่อยก็ได้นะแต่ก็ไม่ต้องเวทียงกันหลักนะก็เป็นความรู้สึกของเราที่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะกับใจตอนนั้นเกิดขึ้นกับกายตอนนั้นเป็นแบบนี้ก็แค่รู้ไปมันคือการรู้แบบสัมผัสไปอืมเอี่ ถ้ารู้สึกตัวมันจะง่ายง่ายมันจะคล้ายคล้ายผ่านไปเรื่อยนะผ่านอืมแต่ถ้ามันไปติดไปขัดมันก็เอ๊ะทําไมอะไรอ่เลยเนะ้มันจะเป็นยังไงนะมันจะติดมันจะขัดมันจะส่งใส่มันจะคล่องอะแต่ถ้ารู้สึกตัวเนี้ยอืมอืมอืมอผ่านผ่านผ่านผ่านนะอืมอันนี้คือก็ให้เราดูตัวเองเนาะให้เราพยายามที่จะเห็นตัวเนี้ยน่ะ ไม่ว่าเราจะปฏิบัติใหม่ก็ดีนะหรือปฏิบัติเก่าก็ดีนะปันปฏิบัตินะ่ยมันดีตรงที่ว่าปฏิบัติได้ด้วยกันนั่นแหละนะไม่ต้องแยกคนใหม่แยกคนเก่าก็ได้เพราะว่าที่จริงแล้วทุกสภาวะมันเกิดขึ้นเนี่ยของใหม่ทั้งนั้นเลยนะมันเหมือนเป็นคนใหม่อยู่ทุกวันทุกเวลานะไม่ว่าเราจะปฏิบัติมันนานเท่าไหร่นะแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยของใหม่ทั้งนั้นเลยเนยะ โกรธก็โกรธตัวใหม่นะไม่ใช่โกรธกับโกรธตัวนี้กับโกรธเมื่อเมื่อวานนี้ตัวเดียวกันนะไม่ใช่นะนะเหมือนลมหายใจนะมันเข้ามันออกมันเข้านะมันก็เข้าใหม่นะไม่ใช่ไอตัวเข้าเมื่อสักครู่นี้มันเป็นตัวเดียวกันนะมันมีแต่สภาวะใหม่นะอาการใหม่เนะี่ยสิ่งใหม่ทั้งนั้นเลยนะนั้น รู้สึกตัวมันคือความรู้สึกที่มันสดๆ ด, ดใหม่ๆด้นะอืมไม่ใช่การรู้แบบแช่ยาวนะแบบต่อเนื่องแบบเป็นเส้นเดียวนะตลอดไม่ขาดสายเลยรู้สึกตัวจริงมันใหม่ๆสดๆนะแล้วก็ไม่ต้องคิดนะไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยนะเพียงแค่รับรู้ไปไม่ว่าเราจะรู้สึกกายที่กระทบที่เคลื่อนไหว เนี่ยหรือที่หยุดก็ดีนะนะีรู้ไปซื่อๆไม่ต้องคิดอะไรรู้รู้เท่าทันจิตใจนะความคิดหรืออารามณ์ต่างก็แค่รู้นะตัวคิดมันก็ตัวหนึ่งนะปรุงไปตัวหนึ่งนะตัวรู้ก็แค่รู้เฉยๆนะตัวหนึ่งนะเนะี่ยรู้ซื่อๆแบบเนี้ยธรรมดาเนาะก็แต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกหัดนะต้องปฏิบัตินะต้องสังเกตนะ ต้องนะรู้สึกได้ด้วยตัวของเราเองนะมันเป็นการตระหนักรู้ด้วยตัวของตัวเองนะมันถึงจะเกิดการเข้าใจนะเกิดการเข้าไปถึงใจจริงๆเนะี่ยคือต้องต้องสัมผัสนะด้วยการปฏิบัติเนาะนันการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าถ้าเราเพียงแค่อ่านเพียงแค่ฟังเฉยๆมันก็จะมันก็จะเข้าแค่หัว นะเข้าแค่การคิดได้นะเข้าใจด้วยทฤษฎีนะเข้าใจโดยหลักการแต่การปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นได้รู้สึกได้สัมผัสนะนะมันเข้าถึงใจจริงๆนั่นแหละคือมันจะไปเปลี่ยนที่จิตใจนะนะมันจะเปลี่ยนของมันเองนะนะมันจะละของมันเองนะมันจะรู้ของมันเองนะ แล้วก็ก็ฝากไว้นะ